ธรรมนิยายเรื่องพระพุทธโธวาดก่อนปรินิพานจากบทประพันธ์ของอาจารย์วสินอินทสระค a าเมื่อพระพุทธองค์ทรงปรองพระชนมาอยุสังขารพระพุทธองค์เสด็จมาถึงปาวาและเจดีประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งงีเงาวคลื่มต้นหนึ่งตรัสกับพระ อ, นน า, อานนุ์ว่าอานุ์ผู้อบรมอิทธิบาทสี่มาอย่างดีแล้วทำจนแคล้วคล่องแล้วอย่างเหลานี้ ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกับคือร้อยี่สิบปีก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้พระโลกนาาตรัส ด, ดังนี้ถึงสามครั้งแต่พระอนนต์ก็คงเฉยอยู่ไม่ได้ทูลอะไรเลยความกังวลและความเศร้าของท่านมีมากเกินไปจนปิดบังดวงปัญญาเสียหมดสิน้นความจงรักภักดีอย่างเหลือล้นที่ท่านมีต่อพระศาสดานั้นบางที ก็ทำให้ท่านลืมเฉลียวถึงความประสงค์ของผู้ที่ท่านจงรักพักดีนั้นปล่อยโอกาสทองให้ล่วงไปอย่างน่าเสียดายเมื่อเห็นพระอานนท์เฉยอยู่ท้ะพุทธองค์จึงตรัสว่าอานนท์เธอไปพักผ่อนเสีอบ้างเถิดเธอเหนื่อยมากแล้วแม้ตถาคตก็จะพักผ่อนเหมือนกันพระอานนท์จึงหลีกไปพักผ่อนนโคนต้นไม้อีกต้นหนึ่งน้าบาดนั้นท้าตถาคตเจ้า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 ยังไม่เป็นปึกแผ่นมั่นคงยังไม่สามารถย่ำยีปรูปวาทะคือคํากล่าวช่วงจาาล่วงเกินจากพาหิระลัตทิที่จะพึงมีต่อพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระองค์ยังไม่แพร่หลายเพียงพอตราบใดพระองค์ก็จะยังไม่พ่านตราบนั้นก็แลบัดนี้พถ้ารำคําสอนของพระองค์แพร่หลายเพียงพอแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาศกอุบาสิกา ฉลาดสามารถพอที่จะดลโรงพรหมจรรย์ศาสโนวาาของพระองค์แล้วก็เป็นการสมควรแล้วที่พระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพานทรงดำริดังนี้แล้วจึงทรงปรงพระชนมายุสังขารคือตั้งพระไทยแน่วแน่ ว, ว่าพระองค์จากปรินิพานในวันวิสาขะภูรณามีคือวันเพ็ญเดือนหอันว่าบุคคลผู้มีกําลังกลิ้งศิลามห่มาแท่งทึบจากหน้าผาลงสูส่สระ ย่อมก่อความกระเพื่อมสั่นสะเทือนแก่น้ำในสระนั้นฉันใดการปรงพระชนมาายุสังขารอธิษฐานพระทัยว่าจะปรินิพานของพระอนาวรณยานก็ฉันนั้นก่อความวิปริตแปรปรวนแก่โล ก, กาธาตุทั้งสิน้นมหาปตพีมีอาการสั่นสะเทือนเหมือนหนังสัตว์ที่เขาขึงไว้แล้วตีด้วยไม้ท่อนใหญ่ก็ปานกันรุกสาขาวันไว้ไกวแ ก, แกงด้วยแรงวายุ โบกสะบัดใบอยู่พอสมควรแล้วนิ่งสงบมีอาการประหนึ่งว่าเศร้าโศกสลดในเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกุมารีนางน้อยคล่ำครวญปริเทวนาถึงมารดาผู้จะจากไปจนสลบแน่นิ่งหน้าเบื้องบนทองฟ้าสีคลามกลายเป็นแดงเข้มดุดเสือลำแพนซึ่งไล้ด้วยเลือดสดปักษาชาติร้องระ ง, งมสนันไพรเหมือนจะประกาศว่า พระผู้ทรงมหากรุณากำลังจะจากไปในไม่ช้านี้พระอานนท์สังเกตเห็นความวิปริตแปรปรวนของโลกกัทธาดังนี้จึงเข้าเฝ้าพระจอมมนีทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญโลกทธาดนี้วิปริตแปรปรวนผิดปกติไม่เคยมีไม่เคยเป็นได้เป็นแล้วเพราะเหตุอะไรหนอพระทศพลเจ้าตรัสว่าอานนท์เอยอย่างนี้แหละคราใดที่ตถาคตประสูต ตรัสรู้หมุนธรรมจักร r o l อายุสังขารและนิพานครานั้นย่อมจะมีเหตุการณ์วิปริตอย่างนี้เกิดขึ้นพระอานอนท์ทราบว่าบัดนี้พระตถาคตเจ้าปรงพระชนมายุสังขารเสร็จแล้วความสะเทือนใจและว้าเหว่ประดังขึ้นมาจนอสุชนทาราหลาหลังสุดห้ามหักเพราะความรักเหลือประมาณที่ท่านมีในพระเชตพาดาท่านมอบลงที่พระบาทมูลแล้วทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์อาศัยความกรุณาในข้าพระองค์และหมู่สัตว์จงดำรงพระชนมาชีพต่อไปอีกเถิดอย่าเพิ่งด่วนปรินิพานเลยกราบทูลเท่านี้แล้วพระอานน์ก็ไม่อาจทูลอะไรต่อไปอีกพระสุกาดูลท่วมทนหทัยอาหนนเอ่ยพระศาสดาตรัสพร้อมด้วยทอดทัศนาการไปเบื้องพระพักอย่างสุดไกลมีแววแห่งความเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนตรและพระพัก เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตถาคตกลับใจตถาคตจะต้องปรินิพานในวันเพลนแห่งเดือนวิสาขะอีกสามเดือนข้างหน้านี้อานนนเราไดแสดงนิมิตโอภาสอย่างแจมแจ้งแก่เธอพอเป็นนยยะมาไม่น้อยกว่า16บหครั้งแล้วว่าคนอย่างเรานี้มีที่บาทภาวนาที่ได้อบรมมาด้วยดีถ้าประสงค์จะอยู่ถึงหนึ่งกับคือร้ยปีก็พออยู่ได้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 หน้าภูเขาซึ่งมีลักษณะยอดเหมือนนกแรง้งอันได้นามว่าคิดจกูดหน้าภูเขานี้มีถ้ำอันขจร น, นามชื่อสุกระขาตาที่ถ้ำนี้เองสาวกผู้เลื่องลือว่าเลิดทางปัญญาของเราคือสารีบุตรได้ถอนตันหานุสัยโดยสิ้นเชิงเพียงเพราะฟังคำที่เราสนทนากับหลานชายของเธอผู้มีนามว่าทีฆนาขะพระว่ยเล็บยาวเมื่อสารีบุตรมาบวชในสำนักของเราแล้ว ทีคณะขะปริพาชกเที่ยวตามหาลุงของตนมาพบลุงของเขาคือสารีบุตรถวายงานพาดเราอยู่จึงพูดเปลยเปลยเป็นเชิงกระทบกระเทียบว่าพระโคดมทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไม่พอใจหมดซึ่งรวมความว่าเขาไม่พอใจเราด้วยเพราะตถาคตก็รวมอยู่ในคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ตอบเข้าไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอควรจะไม่พอใจความคิดเห็นอ น, นันของเธอเสียด้วย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 ต่อมาที่โคตมะนิโครธที่เหวสำหรับทิ้งโจรที่ทําสัตบัญใกล้เวพารบันพศที่กาลสศีลาใกล้ภูเขาอิสิคิริซึ่งเรื่องลือมาแต่โบราณกาลว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพระเปตเจกพุทธเจ้าเป็นอันมากเมื่อท่านเข้าไปหนที่นั้นแล้วไม่มีใครเห็นท่านออกมาอยกเลยจึงกล่าวขานกันว่าอิศิคิริบันพศคือภูเขากลืนกินฤษี ที่เงือมเขาชื่อสับ ป, ปิโสนธิกาใกล้ป่าศีตะวันที่ตะโปธารามที่เวรุวันสวนไผ่อันร่มรื่นของจอมเสนาแห่งแควนมกฏที่สวนมะม่วงของหมอชีวโกโกมารพัฒที่มัทตกุจฉิมิกทายวันทั้งสิบแห่งนี้น่าเขตแขวงราชเครือต่อมาเมื่อเราทิ้งราชเครือไว้เบื้องหลังแล้วจริกสู่เวสาลีนคร อ, อันรุ่งเรืองยิ่ง เราก็ให้ในายยะแก่เธออีกถึงหกแห่งคือที่อุเทนนะเจดีสัตตาพระเจดีโคตมกะเจดีพหุปุตตะเจดีสารันทะเจดีและปาวาและเจดีเป็นแห่งสุดท้ายคือสถานที่ซึ่งเราอยู่ณบัดนี้แต่เธอก็หาเฉลียวใจไม่ทั้งนี้เป็นความบกพร่องของเธอเองเธอจะคล่ำครวญเอาอะไรอีกอานอนท์เ อ, อ๋ย บาดนี้สังขารอันเป็นเหมือนเกวียนชมรุดนี้เราได้สละแล้วเรื่องที่จะดึงกลับคืนมาอีกนั้นมิใช่วิสัยแห่งตถาคตอานนท์เราไม่ได้ปลักปรำเธอเธอเบาใจเถิดเธอได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วบาดนี้เป็นการสมควรที่ตถาคตจะจากโลกนี้ไปแต่ยังเหลือเวลาอีกถึงสามเดือนบนัดนี้สังขารของตถาคตเป็นเสมือนเรือรั่ว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 เป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่รองรับคุณอันยิ่งใหญ่ประหนึ่งแผ่นดินเป็นที่รองรับและตั้งหลงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีพและหาชีพนี้ได้เป็นต้นว่าพริกษาระดาวันมหาสิงขอนและสัตว์จตุบททวิบาทนาน า, นานชนิดบุคคลผู้มีศีลเป็นพื้นใจย่อมอยู่สบายมีความปลอดโปรง่ง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 และเชื่อเฉอนเกเรสารวะตต่างๆให้เบาบางและหมดสิ้นไปเหมือนบุคคลผู้มีกำลังจับสัตราอันโคมกริบแล้วถางป่าให้โล่งเตียนก็ปานกันปัญญาซึ่งมีสมาธิเป็นรากฐานนั้นย่อมปรากฏดุดไฟดวงใหญ่กำจัดความมืดให้ปราศนาการมีแสงสว่างรุ่งเรืองอัมภัยขับฟุ่นละอองคือกิเลสให้ปลิวหายปัญญาจึงเป็นประดุจประทีปแห่งดวงใจ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 ข่าวการโประชนมาอยุสังขารของพระศาสดาแผ่กระจายไปทั่วสังคมมนทนตระดุดบุรุษผู้มีกำลังกระพือผ้าขาวคลุมบริเวณเนื้อที่อน้อยบัดนี้สาวกของพระองค์ทั้งคฤรหัดและบรรพชิตรู้สึกว่าเววิวหวันและเลื่อนลอยสาวกที่เป็นปุถุชนไม่อาจกลั่นอสูรทาราไว้ได้มีใบหน้าอาบด้วยน้าตาประชุมกันเป็นกลุ่มกลุ่ม รำพึงรำพันอยู่ว่าถ้าผู้มีพระภาคจะปรินิพพานเสียแล้วพวกเราจะทำอย่างไรหนอส่วนสาวกผู้เป็นขีณาสพสิ้นอาสวะแล้วก็ได้แต่โปรงธรรมสังเวชคือความสลดใจตามแบบพระอริยะภิกษุรูปหนึ่งได้นามว่าธรรมารามคิดว่าอีกสามเดือนข้างหน้าพระตถาคตเจ้าจะปรินิพพานเราบวชในสำนักของพระองค์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 หาความรักความอะไรในพระผู้มีพระภาคไม่ได้จึงนำความข้อ น, นั้นกราบทูลพระพุทธองค์